เมตตาก็เป็นกรรมอย่างหนึง่งแต่เป็นกรรมดีเป็นกรรมที่เป็นกุศลถูกไหมเพราะเราก็รู้กฎแห่งกรรมอยู่แล้วว่าทำอย่างใดก็ได้อย่างนั้นเพราะเมื่อเราปรารถนานะที่จะให้แบบว่าเอาคนมีความสุขใช่ไม้มเราก็ต้องให้ความสุขคนอื่นเราอยากจะมีความสุขเราก็ต้องสร้างความสุขให้คนอื่นเด้วยโดยที่เราเนี่ยเป็นผู้ให้ให้เขาก่อนพอเราให้แล้วเนี่ยเออ คนอื่นเขาก็เออเดี๋ยวเขาก็ให้คนโนนให้คนนี้นให้กันไปให้กันมานี่แหละแล้วโลกมันถึงจะอยู่กันแบบมีความสุขมีสันติได้เพราะนบทแผ่เมตตาเนี่ยมันถึงจะแบบว่าอะไรสามารถที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เพราะความเมตตาเนี่ยถึงได้อยู่ในสาธารณโภกีสข้อแรกมีอะไรบ้างอ่าเออไอน สารานิยธรรมหกมีอะไรบ้างสามข้อแรกเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมนั่นแหละสามข้อเนี้ยจะเป็นตัวนํามาก่อนถึงจะสร้างสาธารณโภกีได้คําว่าสาธารณโภกีก็คือการอยู่ร่วมกันเห็นไหมการอยู่ร่วมกันวันที่ไหนก็ตามจะอยู่ร่วมกันได้ ไปได้ยืดยาวไปได้ตลอดรอดฟังว่านจะต้องมีเมตตาสามตัวนี้นำทั้งกายกรรมทั้งวจีกรรมทั้งมโนกรรมนำร่องมาก่อนสาธารณโภกีจึงจะเกิดได้ถ้าไม่มีสาธารณโภกีจะมาบอกแล้วต่อให้คุณท่องแผ่เมตตาเช้ากลางวันเย็นเลยเอานะวันละสามรอบเลยให้คุณท่องแผ่เมตตาวันละสามรอบวันละสามรอบรับรองเลยสาธารณโภกีก็ไม่เกิด เพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วโอ้โ ห, โหนะไอ้นี่เราก็จะเอาไอ้นู้นเราก็จะเอานะไม่มีการแบ่งสัรปันส่วนไม่มีการเอือเ้อเฟื้อเผือแผ่กันไม่สําเร็จเพราะอั น, นเนี้ยเนี้ยรู้อันนี้ให้ชัดเจนเถอะนะเนี่ยสัพภสัตทั้งปวงที่มีลมหายใจมีชีวิตอยู่จงได้พบเห็นความดีความเจริญเถิดอย่าได้สร้างโทษภัยอันหยาบช้าเร็วซาม แม่สัตว์น้อยหนึ่งเลยนี่คือคำจบของบทแผ่เมตตาอันนี้ดูนะเห็นแม่ดูสิบอกว่าเนี่ยบอกว่าไม่ไม่ตีจิตความเป็นมิตรของเราจงมีแก่สัตว์ทั้งปวงแล้วนะจะเป็นสัตว์ประเภทไหนก็ตามเราถึงได้ว่าเราถึงได้อย่ามาเบียดเบียนเราโดยที่สัตว์ทั้งปวงเนี่ยนะจงเห็นความดีความเจริญเถิด อย่าได้สร้างโทษภัยอันหยาบช้าเร็วสามแม้สักน้อยหนึ่งเลยเพราะนั้นคนที่จะมีเมตตาได้มากเท่าไหร่เนี่ยนะก็คือคนที่ไม่ไปสร้างโทษภัยได้มากเท่านั้นแหะคนที่เลิกคุไงเลิกสร้างโทษภัยมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งยิ่งมีเมตตาได้มากขึ้นคือไม่ไปเบียดเบียนใครเข้ามากเท่าไหร่นะเมตตาของเราก็จะมีเพิ่มได้มากขึ้น สอนคาถาบทแผ่เมตตานี้แล้วนับตั้งแต่วันนั้นมาพวกดาบททั้งหลายก็เจริญเมตตาจิตแก่สัตว์ทั้งปวงไม่เพียงบรรดางูทั้งหลายจะหลบหลีกไปเท่านั้นแม้แต่สัตว์อื่นๆก็ไม่เบียดเบียนด้วยเราดาบทจึงบำเพ็ญเพียรกันได้สงบสุขเจริญพรมมวิหารนะพรมมวิหารก็มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา มีพรหมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าทรงเล่าจบชาดกนี้แล้วพระศาสดาจึงตรัสว่ามูดาบทในครั้งนั้นได้มาเป็นพุทธบริษัทของเราในบัดนี้ส่วนพระดาบทนั้นก็คือเราตถาคตแล้วทรงกล่าวย้ำอีกเป็นครั้งสุดท้ายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุแผ่เมตตาจิต ไปยังตระกูลพญางูทั้งสี่จำพวกนี้เพื่อคุ้มครองตนเพื่อรักษาตนเพื่อป้องกันตนดูนะท่านพูดมาสามคำบอกเนี่ยให้ภิกษุเนี่ยใช้บทแผ่เมตตาเหล่านี้ได้นะเพื่ออะไรเพื่อคุ้มครองตนเพื่อรักษาตนแล้วก็เพื่อป้องกันตนป้องกันตนนี่สุดท้ายเลยนะ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่เราบางทีเนี่ยนะเจออะไรอะไรเนี่ยไม่ได้ต้องป้องกันตัวไว้ก่อนนะป้องตัวป้องกันตัวก่อนแล้วค่อยมาค่อยรักษารักษาแล้วค่อยคุ้มครองเยนะเพราะฉะนั้นคำว่าคุ้มครองตนเนี่ยคุ้มครองตัวเราเนี่ยการคุ้มครองที่ดีที่สุดก็คือใช้เมตตาถ้าเรายิ่งเชื่อเรื่องเรื่องกรรมว่ากรรมนี่มีผลนะเรายิ่งเชื่ออย่างนี้เรา เรายิ่งต้องรู้เลยว่าเออเรายิ่งมีเมตตาเมตตาที่ถูกต้องนะไม่ใช่เมตตาที่มิจฉาทิฏฐิเรายิ่งมีเมตตาที่ถูกต้องนะที่เป็นสัมมาทิฏฐิมากเท่าไหร่เนี่ยนะทไปได้ไดพอดีพอเหมาะทำไปได้ถูกต้องแน่นอนเลยคุณเมตตก็ยิ่งกลับมาที่เราเนี่ยยิ่งมีมากขนาดว่าภิกษุเนี่ยนะต่อให้บวชมานะ จนกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระ อ, อรหันต์ด้วยกันนะทั้งสองรูปนี้นะเป็นพระอาหารหันต์แต่จะมีความต่างกันตรงที่เรียกว่าถ้ารูปหนึ่งเนี่ยสร้างเมตตาไมาได้มากกว่าอีกรูปห น, นะนึ่งนะอาสมุทนี่ยมือข้างนี้อาตมาแบกอยู่เนี่ยสมมุติว่า5้ิ้วเนี่ยนะเนะี่ยพระอาหารหันตรูปนี้มีเมตตา ม, ามากกว่าสร้างสร้างบา ร, รมีมามากกว่า อีกรูปหนึ่งสร้างบา ร, รมีในเรื่องเมตตานี้น้อยกว่าแต่บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ด้วยกันความแตกต่างก็คือเนี่ยผลผลที่จะได้รับต่างกันภิกษุรูปที่มีเมตตาเมตตาบอกแล้วว่าก็คือมีใจที่จะช่วยเหลือคนอื่นเขาเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นมาก่อนเนี่ยก็จะต้องมีวิปากบุญในเรื่องนี้มาเพราะฉะนั้นแม้แต่เป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ตามก็จะมีเนี่ยแหละมีลาบมี สักกะละมีเสียงสรรเสริญมีอะไรที่ที่คนจะให้มาเนี่ยก็มากกว่าพระอาหารหันต์ที่แบบว่ามีเมตตาแบบว่าทําบุญในด้านช่วยเหลือคนน้อยกว่าเนี่ยนะแต่ว่าท่านช่วยตัวเองจนกระทั่งท่านทนทุกข์ทรุธรุทได้อะแต่ลาบสักกะละหรือว่าอะไรต่างๆก็จะน้อยกว่าบางทีเนี่ยผู้เจ้าท่านใช้คําว่าบางทีเนี่ยนะไม่พูดไม่บอก บางทีไม่ได้นะไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปแต่รูปที่ท่านมีเมตตามีการช่วยเหลือคนม า, มากเนี่ยบางทีต่อให้ไม่พูดไม่บอกนี่ก็โอ้โหเหลือล้นเลยอย่างพระสิวลีอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นผู้เลิศในการได้ลาบต่างๆนี่ท่านก็ต้องทำม า, มากนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องขอไม่อะไรไปที่ไห น, นผู้เจ้ายังโอ้โห ยังไอ้นั่นเลยนะ ถ, ถึงต้องยกย่องเลยว่าโอ้โหถ้ารูปนี้ไปที่ไหนแล้วก็รับรองเลยละล้นเลยนะเหลือเฟือเลยละลาบต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวอาหารการกินจะเป็นกีวรนจะเป็นอัตราบริขารอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหจะมาเยอะเลยเรียกว่าท่านสามารถที่จะได้ลาบต่างๆนี่มาที่ท่านเอาไว้แจกจ่ายไปช่วยเหลืออีกนะถ้าเอาไปแจกจ่ายช่วยเหลือ เพื่อนภิกษูได้วยกันได้อีกเป็นจํานวนมากเนี่ยอันนี้ก็เป็นบุญบา ร, รมีที่สั่งสมมาเพราะฉะนั้นเรื่องของแผ่เมตตาเนี่ยแนวหลักี้อาตมาถามไปแล้วว่ามีอยู่สามอย่างเนี่ยนะมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมตตาอย่างแรกเนี่ยต้องเริ่มที่ต้องเริ่มที่ใจก่อนใช่ไหมมโนเนี่ย เพราะนั้นอันนี้อย่างแรกเลยเพราะฉะนั้นในพรมมวิหารสีเนี่ยที่เราบอกว่าเราใช้คําว่าเมตตาเฉยๆเนี่ยมันถึงต่างจากกรุณาพ่อท่านพ่อท่านสอนก็ย้าอยู่เรื่อยๆว่าเมตตาเนี่ยมันแค่มโนแค่ใจเราแต่นี้คนเนี่ยส่วนใหญ่มักจะติดคําว่าเมตตาเมตตาเราเลยพูดคําว่าเมตตาเมตตาจนอะไรอะไรที่ช่วยเราก็ใช้คําเมตตาไปหมดเลยรวมไปหมดเลย แต่จริงๆเมตตากับกบรุ่นนาไม่ไม่เหมือนกันใช่เมตตาเนี่ยคือใจที่ยินดีอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นเข า, าแต่ต้องให้ถูกทางนะถ้าไม่ถูกทางเนี่ยเมตตาช่วยเหลือคนอื่นถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ถูกต้องก็ยังทุกมีบาปมีเวร ม, มีภัยได้ถ้าช่วยไม่ถูกต้องวันไะนที่นี้นี่เราพูดในสภาพที่ว่าจะต้องช่วยถูกต้อง เมือนกับเคยยกตัวอย่างมาแล้วบางทีให้เงินขอทานหรือว่าให้อะไรถ้าเป็นขอทานจริงแล้วเหมาะสมที่จะได้อ่าถูกต้องไอ้อย่างนี้ได้บุญได้กุศลแต่ถ้าบางทีเราให้ไปเนี่ยโอ้โหมันเป็นพวกแก๊งขอทานเป็นพวกจับเด็กมาตัดแขนตัดขามั่งอะไรบ้างแล้วเอามาขอทานโอ้โหเราไปทําบุญเรามเมตตาเราไปช่วยเหลือพวกนี้มันโอ้โหเรายิ่งไปสนันุนให้ ไอ้พวกมิจฉาชีพนี่มันสร้างบาปสร้างกรรมนะเพราะันอย่าไปนึกแต่ในมุมเดียวว่าโอ้โหถ้าเรามีใจที่จะช่วยเหลือคนอื่นแล้วแหมก็ก็ดีไปซะทั้งหมดไม่ใช่หรอกมันต้องให้สัมมาทิฏฐิด้วยแต่อันดับแรกต้องใจให้ได้ก่อนตอนนี้พอใจเรามีแล้วแล้วก็สัมมาทิฏฐิด้วยพอมีเสร็จอันนี้มันแค่มโนเพราะันคนจานวนมากเลย ที่มีใจเป็นเมตตานี่แหละแต่ไม่ถึงขั้นการุณาส่วนใหญ่เลยจำนวนมากเพราะันคนที่บางทีเนี่ยชอบแผ่เมตตาแผ่เมตตาเนี่ยแผ่เมตตาแต่ปากท่องได้เจือแจ้วเลยนะโอ้โหจำได้แม่นนะอาจจะท่องแบบจากข้างหน้าไปจนจบจากข้างหลังไปข้างหน้าก็ได้เอา ต่อให้ท่องได้อย่างนั้นเลยแม่แผ่เมตตาชนิดถอยหน้าถอยหลังได้เลยนะแต่เอาแต่ท่องหรือเอาแต่พูดแต่ไม่ได้ถึงขั้นลงมือช่วยอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำแต่แต่พูดทียังดีกว่าเอาแต่คิดเนะี่ยบางคนเนี่ยเมตตานี้เอาแต่คิดจริงๆเลยพูดก็ไม่พูดเลยนะบางทีโอ้โหสงสารจังเลยนะั่นผู้อยู่ในใจนะโอ้สงสารจังเลยแม่น่าจะเอาเงินให้เขาสัก ห้าบาทสนะิบบาทยั้ก็ไปกินข้าวะลนระคิดคิดอยู่ในใจคิดเสร็จแล้วก็ <c oughs> เออก็จากไป <c oughs> อ, อคือมันเมตตาอยู่แต่ในใจอะ่ะมันก็มีบุญมีกุศลขนาดหนึ่งนะแต่โมโหมันมันยังน้อยมันยังไม่เพียงพอหรอกเพราะนั้นแผน่เมตตา น, นี่มันมันไม่ใช่แค่จิตนะเพราะนั้นเนี่ยมันต้องออกมาให้ได้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 ถ้าไม่ครบเนี่ยนะมันไม่เป็นธรรมทานที่แท้จริงเพราะหลายคนที่บางทียังเข้าใจว่าอะไรอะ่ะเพียงแค่พระท่านมาเทศนะมาเทศปโปรดเขาใช้คบว่าเทศปโปรดญาติโยมก็คือสอนญาติโยมเนี้ยโอ้โหท่านมีเมตานะท่านมาเหมือนกับพระมาปโปรดนะ เ, เทศสอนอะไรต่ออะไรแต่เอาแต่เทศสอนอะ่ะบางทีตัวพระเองก็ไม่จะทำะนะ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 นะคือคือทำผิดจากที่ตัวเองสอนเพราะฉนั้นะถือว่านี่ไม่ทำเนี่ยไม่ได้ทำตามคำสอนนั้นเนี่ยเพราะคำสอนนั้นน่ยต่อให้เป็นคำสอนที่ดีด้วยต่อให้เป็นคำสอนที่ดีเพราะฉะคนนั้นเนี่แทบจะไม่แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะตอนเนี้แล้วอย่างนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นธรรมทานแท้ไม่อย่างนั้นจะเรียกว่าธรรมทานเนี่ยเป็นทานที่สูงที่สุดได้ยังไงธรรมทานนี้พระเจ้าท่านถือว่าเป็น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 หมอยากจะเลิกเกลียดอยากจะเลิกเป็นศัตรูกับคนนี้สักทีเอาแต่คิดคิดคิดนะแล้วก็วัจีกรรมก็ไม่ทําสันทีกายกรรมก็ไม่ทําสันทีโอ้ยช้านานพวกนี้เพราะอะไรรู้ไหมอาจามาบอกแล้วความคิดนี่มันปรับเปลี่ยนไวคุณคิดเมตตาเมตตาเนี่ยแค่หายใจเข้าเมตตาหายใจออกอาจจะไม่เมตตาแล้วก็ได้มันไวนะความคิดนี่มันเร็วเพราะว่าอะไร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 รับรองเลยคุณใส่ไปได้มากจริงจริงคุณใส่ไปได้ถึงขนาดเพียงพอโอ้ไอสิ่งต่างต่างเหล่านั้นลดลงได้นะไอสิ่งที่เป็นอกุศลเป็นความเลวร้ายแรงต่างลดลงได้เพราะนั้นในที่สุดเนี่ยคุณจะไม่มีโกรธเกลียดใครเลยในชีวิตคุณจะไม่โกรธเกลียดใครแต่คุณรู้นะใครทำดีใครทำไม่ดีอะไรใครพูดจาหยาบใครทาเลวทาร้ายอะไรคุณรู้อ่าบางที บางคนผ่านมากมากเราก็ไม่คบคนผ่านเป็นมิตรอะเราก็อาจจะไม่เข้าใกล้เขามีแต่เราไม่กลวัวไม่เกลียดไม่อะไรเขาเราเระมัดระวังแต่เราไม่ไปแวงไม่ไปกลั ว, อ ย, งงลวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้อะไรกับเขามันจะไม่กลัวเพราะมันมีความเมตตาเนี่ยอยู่เพราะนั้นเนี่ยหวังว่านะถ้าพวกเราเนี่ยนะเข้าใจวิธีการแผ่เมตตาที่ดีแล้วก็ที่ถูกต้องได้คุณจะไม่มี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 คิดจะมาแกล้งหรือว่ามาลงโทษอะไรแต่นี่แหละใจคุณจริงไหมละ่ะใจคุณเมตตาจริงไหมไม่ใช่คว้าด่างไม้หวาดได้กวาดปับปับปั บ, ปบนี่แหละเมตตาใหญ่หน่อยไอ้เมตตาเล็กไปไม่พอมือไอ้อย่างนี้เนี่ยมันแหมมันไม่เมตตาแล้วมันเมตตุบเมตตับแล้วอย่างนี้มันไม่ไหวนะไ อ, อย้ยี่มันใช่อารมณ์ อ, อย่างนี้มันโกรธมันเกลียดแล้วไม่ถูกเพราะนั้นอันเนี้ยให้ให้เราเข้าใจประเด็นนี้ให้ชัด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 บังคับตัวเองได้พูดงไงนะคุณมีศีลคุณมีการบังคับตัวเองคุณมีสัมมาทิฏฐิคุณมีเมตตาเนี่ยสามอย่างนี้รวมกันปั๊บสาธารณโคกีไปได้พัฒนารุ่งเรืองแน่นอนนะไม่ล่มจมอวันนี้คงฝากวันนี้นะ